ส1 11. สุนิคิดตะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูกพระมหาโมคลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่าวิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดเดิรอบได้สิบสองโยตเป็นปราสาทเจ0รอยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคาสวยงาม ท่านสถิตดด่มกินอยู่ในวิมานั้นมีถวยเทพพากันมาบรรเลงพินทิพย์ดังไพเราะในวิมาันของท่านนี้มีเบญจาการมาคุณอันเป็นทิพยรสและเหล่าเทพนารีผู้ประดับด้วยอาพรทองคําฟ้อนราอยู่เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้พลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานันนี้และโภคาทางมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน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 เพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เขาพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้สุนิกขิตะวิมานที่11จบสุนิกขิตวัตคที่7จบรวมเรื่องวิมานที่มีในวัร์นี้คือ 1. จิตตะละตาวิมาน 2. นันทนะวิมาน 3. วมณิถูนวิมาน 4. สุวรรณวิมาน 5. อัมพาวิมาน 6. โคปาลวิมาน 7. กันทกะวิมาน 8. อเนกกะวันณวิมาน 9. มัทกุลทลีวิมาน 10. เซริสกะวิมาน 11. สุนิขิตะวิมาน พาณวาระที่สี่จบวิมานวัตถุจบพระสุตตันตปิฎกขุตกันิกายเปตะวัตถุขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. อุรว k a h หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยงูลอกคราบหนึ่งเขตูปะมะเปตวัตุเรื่องพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาย่อมมีอุปการะแกเปรตและทายกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนาทายกทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวนาทยธรรมเปรียบเหมือนพืช ผลทานย่อมเกิดจากการที่ทายกบริจาคไตรธรรมแก่ปฏิคาหกเหตสามอย่างนี้คือพืชการหวา่านนาย่อมมีอุปการะแก่พวกเปรตและทายกเปรตทั้งหลายย่อมบริโภคผลนั้นทายกย่อมเจริญด้วยบุญทายกทำกุศลในอัตภาพนี้แล้วอุทิศให้พวกเปรตครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์ เคตูปมะเปตาวัตถุที่หนึ่งจบสองสุกรมุขะเปตาวัตถุเรื่องเปรตปากหมู uh. ท่านพระนารทเทระถามเปรตตนหนึ่งว่าทั่วทั้งกายของท่านมีสีเหมือนทองคําเปล่งรศมีสว่างสวไปทั่วทุกทิศแต่ปากของท่านเหมือนปากสุกรเมื่อก่อนท่านได้ทํากรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่า ท่านพระนาระทะเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้สำรวมกายแต่ไม่ได้สำรวมวาจาเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีรูปร่างและผิวพันธ์ตามที่ท่านเห็นอยู่นั้นท่านนาระทะเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านสรีระของข้าพเจ้านี้ท่านเห็นเองแล้วท่านอย่าได้ทำบาปด้วยปากท่านอย่าได้มีปากเหมือนสุกรเลยสุกระเปตะวัตถุที่สองจบ 3ปูติมุขะเปตตาวัตถุเรื่องเปรตปากเน่าท่านพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านมีผิวพรรณงามดังทิพยืนอยู่ในกลางอากาศแต่ปากของท่านมีกลิ่นเหม็นหมูนอนพากันชรชัยเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วหยาบ มีปกติสัมรวมกายแต่ไม่สำรวมปากจึงได้มีผิวพัน์ดังทองคำเพราะความสำรวมกายแต่ปากของข้าพเจ้าเหม็นเน่าเพราะพูดส่อเสียดท่านนาร ะ, ะรูปร่างของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้วท่านผู้ชลาดซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าได้พูดส่อเสียดและอย่าได้พูดมุสาท่านจากเป็นเทพผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่น่าปรารถนา ปูติมุขเะเปตวัตถุที่สจบ 4. ปิต ท, ทีตลิกะเปตวัตถุเรื่องเปรตุกตาแป้งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ตรณี ควรทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์คือปราลบบุพชนผู้ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนหรือเท้ามาหาราชทั้งสีผู้รักษาโลกมีบริวารยศคือเท้ากุเวนเท้าทะตตรศเท้าวิรูปักและท้าวิรุณหกแล้วพึงถวายทานท่านเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลบูชาแล้วและทาย ก, ก็ไม่ไร้ผล การร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่าครวญอย่างอื่นใดไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงละไปแล้วญาตทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานปิตทีตลิกะเปตวัตุที่สจบ ติโรกุธทธะเปตาวัตุเรื่องเปรตอยู่นอกฝาเรือนพวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบ้างยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอกบ้างยืนอยู่ที่ทางสีแพร่งสามแพร่งบ้างยืนเพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วย่าสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัย เราชนผู้อนุเคราะห์ย่อมให้อาหารและน้ำเดิมที่สะอาดปราณีตเหมาะแก่พระสงฆ์ตามการอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันณนะที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ำเดิมเป็นอันมากโดยเคารพว่า เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สมบัติเช่นนี้ขอญาติเรานั้นของพวกเราจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทําแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลก็ในเปนตาวิสัยนั้นไม่มีกิกรรมการทําไร้ไถานาไม่มีโครกรกรรมการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพานิจกรรมการค้าขายเช่นนั้น การแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเป็นเปรตในเปนตวิสัยนั้นดำรงชีพอยู่ด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้น้ำฝนตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายุกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครนให้เต็มเปี่ยมฉันใด ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันกุลบุตรเมื่อเราลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทักษินาทานอุทิศให้แก่ ญ, ญาติผู้ละไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศก หรือความริ่มให้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงละไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานญาธรรมนี้นั้นท่านแสดงออกแล้ว การบูชายาที่ตายไปท่านทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกำลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสะสมบุญไว้มิใช่น้อยเลยติโรกุ ธ, ธะเปตะวัตุที่ห้าจบ ปัญจะปุตตะขาธิกะเปติวัตุเรื่องนางเปรตกินลูกคราวละห้าตนพระสังฆเถระถามว่าเธอเปลือยกายมีผิวพันและรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปหมูมแมลงวันพากันไต่ตอมเกลื่อนกลนเธอเป็นใครกันเล่ามาเยือนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าท่านผู้เจริญ ดิฉันเกิดเป็นเปรตในโยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลกเวลาเช้าคลอดลูกห้าคนเวลาเย็นอีกห้าคนแล้วกินลูกเหล่านั้นทั้งหมดแต่ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้หัวใจของดิฉันถูกความหิวแผดเผาสุมอยู่ดิฉันไม่ได้ดื่มน้ำที่ควรดื่ม ขอเชิญท่านดูดิฉันซึ่งถึงความพินาศเช่นนี้เถิดพระเทระถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องกินเนื้อลูกนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนหญิงร่วมสามีของดิฉันคนหนึ่งได้ตั้งคันดิฉันได้คิดร้ายต่อเธอมีใจประทุษร้ายได้ทาให้เธอแทง นางตั้งคันสองเดือนเท่านั้นก็ตกเลือดครั้งนั้นมารดาของนางกโกรธแล้วเชิ ญ, ญญาติของดิฉันมาประชุมซักถามให้ดิฉันสาบานและขู่เข้นดิฉันให้กลัวส่วนดิฉันนั้นได้กล่าวคำสาบานเท็จอย่างรุนแรงว่าถ้าดิฉันทำความชั่วอย่างนี้จริงขอให้ดิฉันกินเนื้อลูกเถิดเพราะผลกรรมคือการทำลายสัตว์มีชีวิตและการกล่าวเท็จทั้งสองอย่างนั้น ดิฉันจึงมีกายเปื้อนน้องและเลือดกินเนื้อลูกปั้นจปุตตะขาธิกะเปติวัตถุที่หจบ 7. สัตตปุตตะขาธิกะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตกินลูกคราวละเจดตนพระมหาเทระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไป หมูแมลงวันพากันไต่ตอมกลื่อนกลนเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าท่านผู้เจริญดิฉันเกิดเป็นเปรตในโยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโตโลกเวลาเช้าคลอดลูกเจ็ดคนเวลาเย็นอีกเจดคนแล้วกินลูกเหล่านั้นทั้งหมด แต่ก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันได้หัวใจของดิฉันถูกความหิวแผดเผาสมอยู่ดิฉันเป็นดังถูกไฟเผาในที่อันร้อนยิ่งไม่ได้ประสบความเย็นเลยพระเทระถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทํากรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องกินเนื้อลูกนางเปรดนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันมีลูกสองคน ลูกสองคนนั้นกำลังหนุ่มแน่นดิฉันนั้นประกอบด้วยกำลังคือลูกจึงดูหมินสามีของตนภายหลังสามีกโกรธ ด, ดิฉันจึงได้หาพัญญามาอีกและพัญญาใหม่นั้นตั้งคันดิฉันได้คิดร้ายต่อนางมีใจประทุษร้ายได้ทำให้นางแทงพัญญาใหม่นั้นตั้งคันสามเดือนเท่านั้นก็ตกเลือดครั้งนั้นมารดาของนางโกรธแล้ว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 สตปุตตะขาธิกะเปติวัตถุที่เจ็จบ8โคณะเปตาวัตถุเรื่องลูกสอนพ่อด้วยโคที่ตายแล้วกุดุมพีผู้เป็นบิดาถามสุชาตะกุมารว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงเกี่ยวหญ้าสดแล้วเพอร้องเรียกโคแก่ซึ่งตายแล้วว่าจงกินจงกินโคนตายแล้วลุกขึ้นกินหญ้าและน้ำไม่ได้หรอก เจ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเหมือนคนโง่อื่นๆสุชา ต, ตะกุมารกล่าวว่าโคตัวนี้ยังมีเท้าครบทั้งสีเทา้ามีหัวมีตัวพร้อมทั้งหางและในตาคงอยู่ตามเดิมเพราะเหตุนี้ลูกจึงคิดว่าโคตัวนี้พึ่งลุกขึ้นส่วนคุณปู่ไม่ปรากฏกระทั่งมือเท้ากายและศีรษะคุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูกของคุณปู่ที่บรรจุไว้ในสถูปดิน จะไม่เป็นคนโง่หรือกุดุมพีฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวสรรเสริญสุชาตะกุมานว่าเจ้าช่วยรดข้าผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปลียงเจ้าได้บรรเทาความเศร้าโศกถึงบิดาของข้าผู้กำลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียพไทยของข้าขึ้นได้แล้วหนอพ่อมานพ ข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกสอนคือความโศกขึ้นได้แล้วก็เย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเจ้าชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์มารดาบิดาชนเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญาย่อมทำอย่างนี้ย่อมช่วยมารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศกเหมือนสุชาตากุมารช่วยมารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศกได้ โคเะเปตะวัตุที่8จบเก้ามหาเปสการะเปติวัตุเรื่องนางเปรตอดีตพัญญาหัวหน้าช่างหูภิกษุรูปหนึ่งถามเทพประบุติตนหนึ่งว่า นางเปรตนี้กินคูดมูดโลหิตและหน้องนี้เป็นวิบากกรรมอะไรนางเปรตผู้ที่กินเลือดและน้องเป็นประจำเมื่อก่อนได้ทำกรรมอะไรไว้ผ้าทั้งหลายยังใหม่สวยงามอ่อนนุ่มบริสุทธิ์มีขนอ่อนที่ท่านให้ย่อมกลายเป็นแผ่นเหล็กเมื่อก่อนนางเปรตนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้หนอเทพระบุตรตอบว่าเมื่อก่อนนางเปรตนี้เป็นพัญญาของข้าพเจ้า เป็นคนตรหณีกระด้างไม่ให้ทานนางได้ด่าและบริภาทข้าพเจ้าผู้กำลังถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายว่าเจ้าจงกินคูดมูดเลือดและหนองซึ่งเป็นของไม่สะอาดทุกเมื่อคูดมูดเลือดและหนองจงเป็นอาหารของเจ้าในโลกหน้าแผ่นเหล็กจงเป็นผ้าของเจ้าเพราะประพฤติชั่วเช่นนี้นางมาในที่นี้ จึงกินแต่คูดและมูดเป็นต้นตลอดกาลนานมหาเปสการะเปติวัตุที่9จบ 10. ขันลาติยะเปติวัตุเรื่องนางเปรสศีษะลานหัวหน้าพ่อค้าถามนางเวมานิกระเปรตนหนึ่งว่าท่านเป็นใครกันเล่าอยู่แต่ภายในวิมานไม่ออกมาข้างนอกเลยนางผู้เจริญเชิญท่านออกมาเถิด ข้าพเจ้าจะขอชมท่านผู้มีฤทธิ์มากนางเวมานน ก, กเปรตตอบว่าดิฉันเป็นหญิงเปลือยกายมีแต่ผมปิดบางไว้กระดากอายที่จะออกไปข้างนอกดิฉันได้ทำบุญไว้น้อยนะหัวหน้าพ่อค้ากล่าวว่านางผู้มีรูปงามเอาเถอะข้าพเจ้าจะให้ผ้านเนื้อดีแก่ท่านเชิญท่านนุ่งผ้านี้ครั้นนุ่งผ้านี้เสร็จแล้วจงออกมา ขอเชิญออกมาภายนอกนะนางผู้เจริญข้าพเจ้าจะขอชมท่านผู้มีฤทธิ์มากนางเวมานิกกเปรตอบว่าผ้านั้นถึงท่านจะหยิบยื่นให้ที่มือของดิฉันเองก็ไม่สำเร็จแก่ดิฉันถ้าในหมู่ชนนี้มีอุบาสกผู้มีศรัทธาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านจงให้อุบาสกนั้นนุ่งห่มผ้าที่ท่านจะให้ดิฉันแล้วอุทิศส่วนบุญให้ดิฉัน เมื่อทำอย่างนั้นดิฉันจักถึงความสุขพร่างพร้อมด้วยสมบัติตามปรารถนาทุกอย่างพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าพ่อค้าเหล่านั้นให้อุบาสกนั้นอาบน้ําลูบไล้ด้วยของหอมให้นุ่งห่มผ้าแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้นางเวมาเนเกเปรตนั้นในลําดับที่พวกพ่อค้าอุทิศส่วนบุญให้นั้นเองวิบากคืออาหารเครื่องนุ่งห่มและน้ําดื่ม ก็เกิดขึ้นแกนางเวมาเนตกระเปรดนั้นนี้เป็นผลแห่งทักษิณาลำดับนั้นนางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีเดินยิ้มออกมาจากวิมานนี้เป็นผลแห่งทักษิณาอนหนึ่งวิมานของท่านงดงามมีรูปภาพวิจิตดีสว่างสวยัยแม่เทพธิดาพวกข้าพเจ้าถามแล้วขอเธอจงบอก นี่เป็นผลของกรรมอะไรเทพธิดา น, นั้นตอบว่าดิฉันมีจิตเลื่อมใสดีแล้วได้ถวายแป้งขั่วเจอด้วยน้ำมันแด่ภิกษุผู้ปฏิบัติตรงซึ่งกำลังเที่ยวพิคขาจาย์ดิฉันสวยวิบากแห่งกุศลกรรมนั้นในวิมานสิ่งกาลนานแต่เดี๋ยวนี้ผลบุญนั้นเหลืออยู่นิดหน่อยพ้นจากสี่เดือนไปแล้วดิฉันจากตายจากตกนรกอันเร่าร้อนแสนสาหัส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 เพราะฉะนั้นดิฉันจึงเศร้าโศกอย่างหนักขันลาติยะเปติวัตถุที่10บจบ 11. นาคะเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาณชชางของลูกชาย สามเณรถามพวกเปรตเหล่านั้นว่าคนหนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าคนหนึ่งขี่รถทีมด้วยแม่ม้าอสซดอนไปท้ำกลางและสาวน้อยขึ้นวอวไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศส่วนพวกท่านถือค้องเดินร้องไห้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตามีร่างกายแตกเป็นแผลสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์พวกท่านได้ทาบาปอะไรไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้พวกท่านเดิมกินโลหิตของกันและกันเปรตทั้งสองได้ฟังสามเณรถามจึงตอบว่าผู้ที่ขี่้างเผือกชาติกุลชรสีเท้าไปข้างหน้าเป็นบุตรคนโตของข้าพเจ้าทั้งสองเขาได้ถวายทานจึงได้รับความสุขบันเทิงใจผู้ที่ขี่รถเทียมด้วยแม่ม้าอัสดรสี่ตัวเล่นเรียบไปในถ้ำกลางเป็นบุตรคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนไม่ตรณี เป็นธานบดีรุ่งโรดอยู่นารีผู้มีปัญญามีดวงตากลมหยาดเยิมดังตาเนื้อขึ้นวอมาข้างหลังเป็นที่ดาวคุณสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิก บ, บานใจเพราะสวนแห่งทานครึ่งสวนเมื่อก่อนเขาทั้งสามมีจิตเลื่อมใสได้ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตรนีบริพาสมณพราหมณ์ทั้งหลายอันหนึ่ง เขาทั้งสามนี้ถวายทานแล้วได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าทั้งสองสูบซีดอยู่ดังไม้อ้อที่ถูกตัดสา ม, มนเณรถามว่าอาหารและที่นอนของพวกท่านเป็นเช่นไรอันหนึ่งพวกท่านผู้มีบาปนาะเลี้ยงอัตภาพได้อย่างไรเมื่อโพคะพร้อมมูลมีอยู่มิใช่น้อยเหตุไรจึงนายสุประสบแต่ความทุกข์จนทุกวันนี้ เปรทั้งสองตอบว่าพวกเราทั้งสองตีกันเองแล้วดื่มกินเลือดและหนองของกันและกันได้ดื่มเลือดและหนองเป็นอันมากก็ยังไม่อิ่มมีความหิวอยู่เป็นนิดคนทั้งหลายผู้ไม่ให้ทานตายไปเกิดในโยมโลกย่อมร่าให้คร่ําครวญเหมือนอย่างนี้สัตว์เหล่าใดได้ประสบโภคะต่างๆแล้วไม่ใช้สอยเองทั้งไม่ทําบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องประสบความหิวกระหายในปรโลก ภายหลังถูกความหิวเป็นต้นแผลเผาไหม้อยู่สิ้นกาลนานย่อมได้เสวยทุกข์เพราะทำกรรมมีผลเผ็ดร้อนมีทุกขเป็นกำไรความจริงทราบและทันญยญ า, ารอยู่ได้ไม่นานทั้งชีวิตของสัตว์ในมนุษย์โลกนี้ก็สั้นนักบัณฑิตทราบสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วพึงทำที่พึงเราชนผู้ฉลาดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้ ย่อมไม่ประมาทในทานนาคะเปตาวัตถุที่สิบเอ็ดจบสิองอุรคะเปตวัตถุเรื่องเปรผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบพราหมณ์เมืม่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้จึงกล่าวสองคาถาว่าบุตรของข้าพเจ้าละร่างกายของตนไปเหมือนงูลอกคราบในเมื่อร่างกายใช้การไม่ได้ก็ตายจากไปอย่างนี้ เมื่อพวกญาติเผาอยู่บุตรของข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขานางพรามณีเมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้จึงกล่าวสองคาถาว่าบุตรของดิฉันดิฉันไม่ได้เชิญมาก็มาแล้วจากโลกอื่นนั้นดิฉันไม่ได้อนุญาตให้ไปก็ไปแล้วจากมนุษย์โลกนี้ เขามาอย่างไรเขาก็ไปแล้วอย่างนั้นทำไมจะต้องไปร่ำไห้ถึงบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจนั้นเล่าเมื่อพวกญาติเผาอยู่บึกของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาน้องสาวกล่าวว่าถ้าดิฉันร้องไห้ก็จะสู้ผอม ผลอะไรจะพึงมีแก่ดิฉันในการร้องไห้นั้นญาติมิตรและสหายของพวกเราจะพึงมีความไม่สบายใจอย่างยิ่งเมื่อพวกญาติเผาอยู่พี่ชายของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาส่วนพันยาของเขากล่าวว่าผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว ความเศร้าโศก ข, ของผู้นั้นเปรียบเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ซึ่งโคจรอยู่เมื่อพวกญาติเผาอยู่สามีของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาส่วนนางทาสีกล่าวว่าท่านพราหมณมหม้อน้ำที่แตกแล้วพึงประสานให้เป็นดังเดิมอีกไม่ได้ฉันใด ความเศร้าโศกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ฉันนั้นเมื่อพวกญาติเผาอยู่นายของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาอุระคะเปตาวัตุที่สิบสองจบอุรคาวักที่หนึ่งจบรวมเรื่องเปรตที่มีในวักนี้คือหนึ่ง เคตูปะมะเปตวัตถุ 2. ส, สุกรมุขะเปตวัตถุ 3. ปูติมุขะเปตวัตถุ 4. ปิดททีตลิกะเปตตะวัตถุ 5. ้ติโรกุทฏะเปตวัตถุ 6. ปัญจะปุตตะคาธิกะเปติวัตถุ 7. จสัตตปุตตะคาธิกะเตปเตวิวัตถุ 8. โคณะเปตวัตถุ9 มหาเปศการะเปติวัตถุสิบคาลติยะเปติวัตถุสิบเอ็ดนาคะเปตาวัตถุสิบสองอุระคะเปตาวัตถุสองอุปริวัก หมวดว่าด้วยพระนางอุปรีกับเปรตหนึ่งสังสารโมจกะเปติวัตุเรื่องนางเปรตสังสารโมจากาท่านพระสารีบุตรเทระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าแน่นางผู้มีร่างกายสู้ผอมมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็น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 นางเปรตตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ตามมารดาก็ตามหรือแม้เป็นญาติพึงชักชวนดิฉันว่าเธอจงมีจิตเลื่อมใสให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แกดิฉันเช่นนั้นมิได้มีข้อที่ดิฉันเป็นเ ป, นเปรตเปลือยกายถูกความหิวและความอยากเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอดห้าร้อยปีนับแต่บัดนี้ไป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 พระธรรมสังคีติกาจารย์จึงกล่าวสามคาถาว่าพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์นั้นรับคำนางเปรตนั้นแล้วจึงถวายข้าวปั้นหนึ่งผ้ามีขนาดเท่าฝ่ามือผือนหนึ่งแล้วน้ำดื่มถ้วยหนึ่งแก่ภิกษุแล้วอุทิศส่วนบุญให้นางเปรตนั้นในลำดับที่พระเถระอุทิศส่วนบุญให้นั้นเองวิบากืออาหารเครื่องนุ่งหม่มและน้ำดื่ม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 ดุดดาวประกายพรึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันเพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้โภคะขทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้แม้พระบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพธิดานั้นตอบว่าเมื่อก่อนพระคุณเจ้าเป็นมุนีมีความกรุณาในโลกได้เห็นดิฉันซูบสี่ดผอมเหลืองหิวโหวยเปลือยกายมีผิวแตกเป็นริ้วรอยได้รับความทุกข์ได้ถวายข้าวปั้นหนึ่งผ้ามีขนาดเท่าฝ่ามือผือนหนึ่งและน้ำดื่มถ้วยหนึ่งแก่ภิกษุแล้วอุทิศส่วนบุญให้ดิฉันขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งคาข้าว ดิฉันสมบูรณ์ด้วยกามที่น่ารื่นรมบริโภคข้าวมีกลับข้าวซึ่งมีรสหลายอย่างถึงพันปีขอพระคุณเจ้าจงดูวิปากแห่งผ้าที่มีขนาดเท่าฝ่ามือว่าเป็นเช่นใดผ้าในแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดพระคุณเจ้าผู้เจริญผ้านุ่งผ้าห่มของดิฉันมีมากกว่านั้นคือผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานและผ้าใย ผ้าเหล่านั้นทั้งยาวทั้งกว้างมีราคาแพงห้อยอยู่ในอากาศดิฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจนุ่งหม่มอันหนึ่งขอพระคุณเจ้าจงดูวิปากแห่งการถวายน้ำดื่มถ้วยหนึ่งว่ามีผลเช่นใดราโบครณีสี่เหลี่ยมลึกที่สร้างไว้ดีแล้วมีท่าเรียบมีน้ำใสยเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบมิได้นานแน่นไปด้วยดอกประทุมและดอกอุบล เต็มด้วยน้ำซึ่งดารด า, ดาดด้วยเกสรดอกบัวดิฉันเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนย่อมรื่นรมร่าเริงบันเทิงใจพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันมาเพื่อจะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็นปรามีความกรุณาในโลกสังสารโมจกะเปติวัตุที่หนึ่งจบ